บวชแก้บนก็มีเมือม่อทนได้ประสบความวิบัติบางสิ่งบางอย่างก็ไปบนไว้เช่นเจ็บป่วยก็ดีอันเมื่อหายป่วยแล้วก็บมาบวช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 อันเมื่อประพฤติปฏิบัติไปมันเห็นผลแห่งการบวชเข้าไปใจสงบดูดดื่มเอาตออยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็ซึกคาลาเพศไปตามที่ตนกำหนดไว้บางคนก็หางเงินหาทองอยาก ที่เกียรติทำการงานหนักอาจจะไปทำงานเบาต้นก็ไม่มีความรู้อย่างนี้กร น, นีมาบวชก็มีปุชช น, นีก็มักจะไม่ยืดเยื้อหรอกการบวชเพราะเมื่อเกียครคลานทำการงานแล้วบวชเข้ามามันก็ยิ่ง เกียกรตคล้านใหญ่มันได้รับความสบายไม่ได้ทำไรไทย น, นาไม่ได้กำฝนทนแดดอะไรนิสัยคนเกียกรตคล้านนี้นับว่ารา้กาลัวสิ่งอื่นเรื่องไม่ดีมีในใจของคนสิ่งอื่นนั้น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 คนเกียรตครั้นแล้วสร้างผู้สนขุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เลยน mm hmm. วาตัดความดีต่างๆที่ควรจะได้จะมีออกไปหมด mm hmm. ความเกียรตครั้นเนี่ย mm hmm. มันจะมีความรู้ความจำคำสอนได้มากมายเท่าไหร่ เมื่อันเกียรครั้นแล้วมันก็ไม่ลงมือทาเลยมันเป็นยงไหวพระก็เกียรครั้นนั่งสมาธิภาวนาก็เกียรครั้นไปเที่ยววินทบาทก็เกียรครั้นปัดวัดกวดวัดทำกิจวัตรต่างๆก็เกียรครั้น คนเกียรคร้านนี่มักจะชอบหลับอชอบมักหลับมักนอนเนี่ยว่าเอาแต่นอนเป็นเกณฑ์ไม่ลุกขึ้นทําความเพียรอันนี้เป็นลักษณะของคนเกียรคร้รานแล้ก็เป็นคนมักง่ายหนึ่งคนเกียรคร้านนี่นะทาอะไรก็ อยากให้มันเสร็จเร็วๆนะดีก็าตามไม่ดีก็ช่างนี่นี่ว่านิสัยเกียกครันไม่ดีจริงๆเพราะนั้นทุกคนอย่าไปฝึกตนให้เป็นคนเกียกครันอันกิเลสประเภทนี้นะมันมีมาติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินูน่น ไม่ใช่เพิ่งมามีในชาตินี้หรอกไอ้เพิ่งตื่นตัวกันเรามีบุญน้อยบุญไม่มากเกิดมาชาติได้ก็มาสะบวยแต่ความทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะความเกียดคราสน่ะนะเป็นมูลเหตุ่ะ ไม่ให้ได้ประกอบภูษลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากกิจสันดานได้เมื่อพ่อความเกียดคร้านี้แหละแต่ชาติก่อนมากก็ดีไม่มีความเพี้ยนเรื่องมันนั้นนี่แต่เพลิดเพลินในกรรมคุณ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 นี่เราักษาใงความเกียดคร้านนะเป็นอย่างนี้พราะเหตุแล้วมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ทุกคนต้องสำรวจดูตัวเองแล้วก็เตือนตนเองจะคอยให้เธอผู้อื่นมาเตือนให้ไม่ได้หรอกถึงผู้อื่นเตือนให้ถ้าตนไม่ลงมือทำแล้วมันก็นแล้วเท่านั้นแหละ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 อดกั้นทนทานต่อความรักความใคร่อย่าให้มาครอบงามจิตใจอดกลั้นทนทานต่อความโกรธโมโหโทโซต่างๆอดกลั้นต่อความหลงความเมาความอยากเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆนา น, นาหมูนนี่มันไม่ใช่หนทางพ้นทุก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 เพราะว่าถ้า evet ผู mm ้ท hmm. ี as, no ่มีความอดทนต่อกิเลสดังกล่าวมานั่นน่ะแสดงว่าผู้นั้นต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายก็กิเลสเหล่านั้นมันทําให้คนเราวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกภายในจิตใจก็วุ่นคิดปรุงแต่งไม่หยุดไม่ยั้งทั้งเร่าร้อนลิ้นด้วย ้วไปทำเรื่องให้วุ่นวายภายนอกนู่นดังที่เราทราบกันมานี่คนผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปก่อแต่เรื่องโศกเรื่องเศร้าอยู่นั้นน่ะไปแย่งของรักของกันและกันเกิดประหัตประหารกันล้มตายหรือเสียองค์ฆ่าไป ไป <c oughs> แ, แย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองของผืนมาเป็นของตอน <c oughs> แต่แย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวเขามูเนี่ยมันมีอยู่ดาา ด, ดื่นในโลกอันนี้ชอบดื่มเหล้าเมาสุราเสพกันซายาฟิ่นเฮโรอีน <c oughs> แล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแบบ น, นี้นะเมื่อได้ท่องเสบของมึนเมาต่างเข้าไปแล้วเงินทองไม่มีที่จะไปซื้อหาเราจะหาโดยทางสุจริตก็ไม่ได้เพราะคนเราเสพของเสพติดให้โทษแล้วทำงานอะไรก็ไม่เป็นหรอกมีแต่เมาท่าเดียวต่างเมามาแล้วไม่มีเงินจะ ซื้อของเรานั้นมาเสพอีกมันหิวเข้ามามันก็วางแผนกี้ปล่นอะไรต่ออะไรสารพัดได้อย่างไรก็เอามันแหละนี่อันโมนี้มันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่อดกลั้นทนทานต่ออำนาจของ ข, องขีเลศหยาบหยา บ, บเรานั่ะเราต้องวาดภาพดูให้มันเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย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 อันความอดทนนี่ได้ชื่อว่าเป็นฐานเป็นพื้นฐานของดวงกิจกิเที่ฝักใฝหากุศลยินดีในบุญในกุศลแล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อรวมใจความลงแล้วนะยกตัวอย่างเช่นเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะ กาแสดงว่ามันอดได้นั่นแหละผู้ใดอดได้อย่างนั้นแล้มันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีแหละขึ้นมาในใจนั่นแหละบุญกุศลก็ย่อมเคยขึ้นแนหะ ใ, ใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะเขายกโทษตีเตียนมาก็ไม่ไม่ยกโทษตีเตียนต่ออดกั้นทนทาน ปล่อยเขายกโทษตีเตียนไปไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกไม่เหมือนยังเอามีดเอาพระมาฟันอก <c oughs> เราไม่ต้องการผูกกรรมทำเวรกับใครขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็นทุกข์ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ละ ผู้ดเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครหาทางหลีกเลี่ยงไอ้เือนี้แหละธรมรมดานักบวดนี่นะมันต้องพยายามบําเพ็ญตปรธรมรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจอันนี้นะท่านเรียกว่าสั่งสมบุญกุศลนะของนักบวช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 จึงเป็นนักปราดได้นักปราดนี่แปลว่าผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเฉลียวเท่านี้ก็ยังไม่แกมแจ้งพอหมายเอาท่านผู้ฉลาดสามารถละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างนี้นะคำว่านักปราดนะมันมีความหมายอย่างนี้ ทีนี้เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสดังกล่าวมานั้นไม่ได้อดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ได้เช่นนี้แล้วมันจะไปทําดีได้อย่างไรแบบนี้มันก็ต้องทําชั่วเนคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้ใครเขาไม่ได้ว่าเป็นนักปราชญ์เลย <c oughs> เขาว่าเป็นคนผ่าน ไม่ใช่เป็นคนพานแต่เพาะผู้เริ่มด่านะผู้ด่าตอบก็เป็นคนพานเหมือนกันในตำราพระพุทธเจ้ายัา ง, ยางทรงแสดงว่าบุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละเป็นบุคคลที่น่าจำหนีมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรก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 ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนที่สองเนี่ยไม่ยอมลดละไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตนด่าตอบเอเดนั่นมันถึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆพระศาสดาทรงตรัสว่าอย่างนี้เรามาพิเคาะดูแล้วมันก็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 เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เป็นปุษณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเช่นเขาพูดคำหยาบภายต่อเรามาอย่างนี้เราพูดดีต่อเอานนั่นเราไม่พูดหยาบแล้วเมื่อเราพูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้ไอเขาก็คงจะไม่กล้าพูดชั่วต่อไปได้แล้วนั่นแหละใจมันก็อ่อนลง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 มันคิดได้อย่างนี้ล่ะเพราะถ้าว่าเราตอบโต้ไปอย่างนี้เขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บใจ <c oughs> เข า, เเขาด่าเรามาเราก็เจ็บใจถ้าเรายึดถือเอาไว้นะเราเจ็บใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์กันทั้งสองเลยเมื่อมันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็หยุดยั่งได้เลยเป็นอย่างนั้น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 ก็มันไม่มันขาดความอดทนขาดสติความยั่งคิดขาดความอดกั้นทนทาน่างเดนมันถึงได้วู่วามขึ้นมาผู้ที่มีความอดกั้นเป็นพื้นฐานของกิษมาเคยอดเคยกั้นต่อเรื่องชั่วร้ายทางหลายเรานี่มาอย่างนี้นะเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้พอนานเข้ามันกระท o u g กระทังเข้าไปมันก็ไม่ตื่นเต้นเลย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 เมื่ออดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็เป็นสมาธิได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานทั้งหลายการเจริญสมถะเนี่ยอาจจะทําใจสงบนี่ถ้าขาดความอดทนแล้วสงบไม่ได้ <Yeah. S 1> ไม่ได้จริงๆเ <Yeah. S 1> ป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ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 ใจมันจะสงบลงได้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยขันติธรรมอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ผากถางไปก่อนเช่นนั้นแหละผากฐางกิเลสอันหยาบหยาบนั้นนะให้มันอ่อนกําลังลงก่อนใจมันถึงสงบลงได้ถ้ายังปล่อยให้กิเลสหยาบหยาอันนั้น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 เมื่ออดคิดไม่ได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยมันเปน็นยัถ้าผูใ้ใดอดคิดได้เข้าไปอดมากๆเข้าไปแล้วความคิดชั่วเหล่านั้ยมันก็ดับลงอ่มันก็ระงับลงความคิดหยาบๆมันก็ดับลงพอความคิดหยาบเนี่ยมันดับลงแล้วก็ยังเหลือแต่ความคิดอย่างกลางอย่างนี้ มันก็พอที่จะระงับกันลงได้แบบนี้นะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นไม่ควรที่จะท้อใจผู้ใดก็ดีการปฏิบัติธรรมนี่ก็พทธเจ้าทรงแสดงคุณธรรมไว้แล้วให้เราสร้างคุณธรรมนี้เกิดขึ้นในใจแล้วเมื่อคุณธรรมนี้บางเกิดขึ้นในใจแล้ว แต่ก่อนนั้นมองเห็นมันยากแหละการปฏิบัตินี่หัมื่อคุณทรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะมองเห็นล้วมันง่ายแบบนี้มันค่อยง่ายเข้าแล้วอุปมามันยังคนทำไร่ทำสวนเนี่ยมันก็ได้ลงแทงมากทีแรกเนี่ยต้องตัดไม้โคนไม้ออกไปโคนไม้ออกไปแล้วแบบนี้มันปล่อยมันแห้งเข้าไปแล้วจุดไฟเผา ออไฟไหม้ลงไปอย่างนี้แล้วมันก็เหลือทั้งแต่ตอของมันเหลือแต่กิ่งกา้านนิดๆหน่อยๆนี่นการออกแรงต่อไปนี่ก็ไม่ไม่มากเหมือนแต่เดิมแล้ววันนี้นะค่อยเก็บเศษไม้ไฟไหม้อะไรออกอแล้วก็สับตอไหม้ที่มันยังเหลืออยู่ออกไปเล็กๆน้อยๆไปเนื้อที่มันก็ค่อยเตียนไป ก็ค่อยเบาแรงไปเรื่อยๆอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี <c oughs> ่ยพอเริ่มลงมือปฏิบัติทีแรกนี่มันก็เสดอออกแรงเหมือนอย่างเขาถังไร่อย่างว่านี่ยเป็นอย่างนั้นต้องอดกั้นทนทานเอาความอดเข้าว่าเลยอดตารับขับตาโนน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 ถ้าไม่มีอะไรเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนพาืาสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากลากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นแนะ่ะต้องนึกถึงพลราสีโน่นเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละ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 นั่นะต้องนึกถึงพล ư สีนุ่นถ้าเวลามันขาดแคลนอาหารมาเอ้ยพล ư สีเนี่ยกินแต่ผ ล, ลไม้เพื่อนยังอยู่ได้อั น, นี้กลัวอะไรอ่ะมันมันต้องอย่างนี้ความอดความทนนะ มันเป็นตะปาธรรมเครื่องแผดเผาความโลภความกโกรธความหลงมานะทิฐิต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจาก จ, จิตใจเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจเข้าไปแนละ้วงุดงิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่อดทนแล้วก็แน่นอนไปไม่ได้นานเลยนั่งภาวนาเขาดี มน่นหนึ่งก็ถอยแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันวุ่นวายแล้วร่างกายนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อดทนนะร่างกายก็พลอยหุดหงิดเล่ยวันไว้ไปตามกันนะสังเกตดูทําไม่เชื่ อ, อเพราะเหตุนั้นนะต้องอาศัยความอดกั้นทนทานเข้าช่วย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 มันไปขอให้เข้าใจกันให้มันแน่นอนอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพระศ า, าสดาไม่ตรัสสรรเสริญคุณแห่งขันติไว้มากมายหรอกมากนะพุทธภาสิตเกี่ยวกับความอดความทนเนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยต้องต้องเข้าใจเลยต้องรู้ได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้วิจา์ดูหรอก เพียแต่เรียนเรียนผ่านผ่านไปเฉยเนี่ฮะถ้าพู้ช่างวิตารวินิจฉัยแล้วก็นั่นน่ยมันจะเห็นคุณค่าของขันติเลยเอ๊ะทําไมพระ อ, องค์เจ้ายังทรงตรัสเตื่องขันตินี่ไว่มากมายอย่างนี้เนะาะเมื่อวินิจฉัยดูแล้วมันก็เห็นที่เห็นคุณค่าของขันติความอดทนแล้วผู้นั้นเห็นแล้ว ก็ยอมลงมือสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นใน จ, จิตใจได้เลยวันนี้มันเปน็นยาง้นก็ในหนังสือพรหุะนะ่งมะอะไรที่พวกอรารวากายักมุนมันม ด่าพระองค์มาแผงลิดอะไรต่ออะไรใส่พระองค์พระองค์ก็ตั้งอยู่ในความอดทนนี่แหละนางกินจิมานวิกามูนั่นนะไปยืนด่าพระองค์ต่อหน้าชุมนุมชนนั่นนะช้ะางนาลาคีรีมูนั้นวิ่งมาใส่พระองค์ พระ อ, องค์ก็ไม่หวั่นไหวก็เพราะความอดกั้นนี่อความอดกั้นทนทานเนี่ยทำใจหนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นต่อจากนั้นแหละพระ อ, องค์ก็จึงใช้พุทธานุภาพกาจัดศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นไปในขั้นต้นนี้ต้องอดกั้นทนทาน <c oughs> พญามาราธิราชยกพร้อมอพยพพหนพลพยโยหะเสนามามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแท่นบันลังหมู่นั้นพระองค์ก็อาศัยขันติความอดกั้นทนทานนี่แหละเบื้องต้นนะไม่ยอมขยับขยื่นหนีไปจากแท่นบันลังนั้นเลย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 ถูก อ, อกถูกใจหรือไม่ทัน อ, อกทันใจก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเขาไปเรื่อยอดกันทนทานเอาเสียสละลงไปเอาตายตายเป็นตายตา ย, ตายแล้วแล้วไปจะมาหวงขันห้านี่อยู่ทำไมอะ่ะมันจะแตกกระดับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหวงไม่ต้องไปยกโทษใครอ่ะ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 กิเลสหยามยาบอย่างว่านั่นเหตดนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนในนามมันเป็นตับปะมันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจผู้ใดซึ่งไม่สามารถที่จะเจริญปัญญา ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ก่อนอย่างนี้นะสู้จิตใจเนะี่ยมันสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเพราะกิเลสปัน่นจิตใจใจฟุ้งไปอย่างนี้นะอ่าเมื่อปัญญาเรายังไม่สามารถจะตัดรากของกิเลสขาดได้ก็เอาอดอเราจากไม่คิดอย่างนี้แหละความคิดก่อกามนา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 นักปรารถนท่านกล่าวถึงคำกรว้กามทั้งหลายเกิดแต่ความคิดมันก็ถูกต้องแปลตามบาลีอันนั้นนะสังกปะราโคปุริสัสกามโมสังกปะสังกโปไปว่าความดำรินั่นความดำริไปในความใคร่ความกำหนัดยินดีนี่นะนั่นเ ให้พึ่งพากันเข้าใจความกาหนิดยินดีทั้งหลายมันเกิดจากความคิดนี่เมื่อรวมใจความลงนะเพราะนั้นเราจะพอมันรู้สึกว่ามันเผลอทวเนี้ยก็ต้องอดกั้นทนทานไม่ส่งเสริมมันต่อไปไม่คิดมันอย่างนี้นะเมื่อไม่คิดมันแล้วมันก็ดับลงเราสู้มันได้เราสู้กับความคิดนะ ตัวเองนั่นแหละสู้กับตัวเองมันขยับจะคิดเราไม่คิดอย่างนี้เอา้าสู้กันไปอดกลั้นลงไปเราจะอดไม่คิดอย่างนี้เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปนานเข้านานเข้าความอดมันมีกําลังเข้มแข็งขึ้นไอความคิดอย่างรุนแรงมันก็อ่อนลงเหมือนกันในสุดมนันก็ดับไป